เกิดปัญญาอแลกกันด้วยว่ามันไม่ใช่เราเนไหมครับถ้าเราปฏิบัติธรรมเราฟังธรรมตามแนวปฏิบัติเราได้ความสงบได้สมาธิธรรมเป็นขั้นต้นคือเราจําอุบายอุบายการท่านสอนบ่อยๆท่านพูดบ่อยๆ ค่อยจำค่อยปฏิบัติไปไม่ใช่ว่าเราจําในเวลาที่เราฟังธรรมบรญญัตมากๆเวลาบรรยายมา ก, มา ก, ยายมากๆเนี่ยมันจํายากคือไม่ใช่เราเราจะจําทุกคําทุกบทได้คือสําหรับหลักธรรมปฏิบัติท่านไม่ต้องการความยืดยาวท่านต้องการความรัดกลุ่มกระทัดรัดสั้นอเพื่อจะได้ จำไม่ยากคือว่าเรายน่นความจายน่นสัญญามาให้สั้นๆเ น, นี่ยคือให้จาเพียงคำเดียวของอันเดียวกับของวันนี้จำนวนร้อยจานวนพันหนึ่งนี้มันก็ต่างกันมันก็จาง่ายดู ง, ง่ายไอ้ความจาของเราที่มากๆมันก็ยุ่งยากนะที่นี่อย่างที่เรา ศึกษามามากเราเห็นมามากเราได้ยินมามากอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะมาช่วยการปฏิบัติของเราให้ดีให้สงบได้ที่เราจะดีจะสงบได้ก็เกิดจากการปฏิบัติทั้งหมดเปลี่ยนจากการศึกษาเปลี่ยนจากใช้สัญญาความจาเราไม่ใช้การปฏิบัติเป็นหลักนํา คือเปลี่ยนมาปฏิบัติตัวของเราทุกทุกคนคือเรามีเวลาที่จะปฏิบัติเราได้ทุกคนเวลาไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นั้นเป็นเวลาถึงตัวเราก็เอาไปปฏิบัติไปเปี่ยนให้ใช้อยู่บายคําสอนพระพุทธเจ้านี่แหละคือจึงเป็นฉันยาน เป็นสัญญาไปนำหน้าก่อนแต่เราปฏิบัติเราถามเราทักบ่อยๆเจตมันก็จะค่อยรู้ค่อยตื่นขึ้นมาอย่างที่ท่านให้ภาวนาให้บริกรรมว่าพุทโธสั้นๆแต่ความหมายของพุทโธก็มีความหมายกว้าง <c oughs> ที่มีคุณที่สูงมากาบอกว่าอยู่พโธก็ซึ้งแปลเป็นภาษาไทยแล้ว เ, เรียกผู้รู้ทำผู้รู้ตื่นผู้รู้เบิกบานผู้รู้สงบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความหมายความแปลที่เป็นฝ่ายดีเหตนั้นถึงเราจะนึกคำเดียวแต่ความหมายเข้ามากกว้าง คือกว้างที่จิตของเราเนนะ่มันรู้ทีนี่รู้การทำของเรารู้การปฏิบททัติธรรมเกี่ยวกันเรื่องน้อมน ำ, นำอารมณ์มาใส่ใจเราไม่คิดส่งไปภายนอกอย่างที่เราเคยปล่อยจิตเที่ยวไปไม่มีขอบเขตดังนั้นเราไม่ปล่อยแื่เราพยายามที่จะกำหนดที่จะตั้งสติไว้กับร่างกายรู้สึกตัวอย่าจะหลอกปัญญานี่น เห็นด้านร่างกายของเราก็เป็นบ้านเป็นสถานที่ศึกษาหรือเป็นอาคารเรียนของพระพุทธศาสนา อ, อย่างเราที่มีสถานศึกษามีมหาวิทยาลัยมีเรื่องต่างเนี่ยอันนั้นมันเป็นโครงสร้างของสถานที่แต่ส่วนการสร้างการศึกษาทางธรรมก็คืออาศัยร่างกาย คืออาคารทีโร <c oughs> งของสิ่งก่อสร้างจากกรรมที่นํามาให้เราเกิดเป็นร่างกายนั่นมาเป็นสถานที่ปฏิบัติและศึกษาถ้าคนไหนเป็นนักศึกษาก็คือใจเป็นผู้อยู่ศึกษาในร่างกายตั้งใจศึกษาตั้งใจเข้ามาอยู่ในโรงคืออยู่ในร่างกายตลอด ก็เหมือนนักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาดีไม่หนีโรงเรียนแล้ว่าไม่ทำความเสียหายให้เกิดขึ้นในโรงเรียนตั้งใจมาอยู่ไม่ขาดนกะ็เหมือนกับว่าการปฏิบัติธรรมก็เป็นการที่เข้าเรียนศึกษาในร่างกายของเราแต่ละคนแล้วโรงเรียนก็มีของไครของมันเลยนี่ คือมีคนละโรงลโรงแล้วก็มีครูคนละคนละคนคือมีใจอยู่ด้วยอาคารโรงเรียนหลังนี้ท่านให้มาศึกษามาเรียนที่นี่พระพุทธเจ้าของเราเราจะกลายเป็นคนรู้คนดีดีเนี่ยเพอารู้ดียังไงเพราะว่าโรงเรียนหลังนี้มีครูดีมีผู้สอนดีมีผู้ปฏิบัติ ด, ดีควบคุมดี ก็มีหลักคติปัญหาสี่ที่ท่านนมาสอนเป็นหลักการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็มาเพื่อบำรุงเพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการเจ็กญาในโลงในร่างกายอันนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่ว่ากายานุปัญนาท่านก็ยกหมายร่างกายเป็นโลงแรกอ่า และเวทนานุปัชนา ương, คือเรื่องความสุขความทุกข์ที่เกิดจากโรงเรียนของเราเป็นไปหรือเราผู้ที่อาศัยโรงเรียนรับรู้ว่าร่างกายของเราโรงเรียนของเราชุดโทมอย่างไรรับผลกระทบแบบลงผลยงงอย่างไรนี่เรียกว่าเวทนานอกกนั้นจิตก็คือเจ้าของโรงเรียนคือเป็นผู้อยู่ เป็นผู้ดูแลนี่ฉันว่าอย่างนี้ที่สี่ก็ทำมานุกพัฒนาก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทีนี้ในโรงเรียนในร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยดังนั้นถ้าเรามาเข้าเรียนเข้ารู้อย่างนี้ใครจะไปอยู่ที่ไหนสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็นคนดีต้องเป็นผู้รู้ดีและผู้ปฏิบัติดี ไม่หนีไม่ทําความเสียหายเราจะอยู่ในชาติไหนประเทศไหนก็รักษาความดีได้ไเพราะว่าทั้งโลงทั้งครูทั้งการศึกษาการปฏิบัติก็อยู่ด้วยกันครบถ้วนคือไม่บกพร่องทีนี้และสิ่งที่ดีคือผลดีคือคุณความดี เกิดขึ้นบุญที่เราป า, าิสนาซึ่งเป็นวลมีหลักทางของชาวพุทธเราก็เกิดขึ้นในสถานที่เราปฏิบัติที่เราศึกษานี่ยถือว่ามีขึ้นเกิดขึ้นที่นี่หมดเราไม่ต้องไปหาที่อื่นไปหาวัตถุเอาไปถวายทานอ่ หาสิ่งที่เป็นของมีมูลค่ามากๆไม่ต้องท่านบอกว่ามันเกิดมีบุญขึ้นในการปฏิบัติเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะว่าตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นมรดกมันเป็นกองชับอันประเปิดให้ไว้อย่างนี้ถ้าเรา ทำให้เกิดให้มีเราขุดค้นขึ้นมาได้ก็ไม่อดไม่อยากไม่จนสิ่งดีๆที่มีในตัวของเราที่เราจะทำให้เป็นคุณขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ทำได้ตรงนี้คือที่ตัวที่จิตของเรานี่แหละอ่ามรรยาทีจางเกิดขึ้นใช่ไห ทีนี้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเราก็แก้ความยากจนความเดือดร้อนได้ทีนี้เพราะว่าเรามีพอไม่บกพร่องแล้วทีนี้เราปฏิบัติแล้วก็สงบขึ้นคือเราไม่หิวอะไรแล้เนี่ยจิตมันไม่ได้คิดอยากอะไรไม่อยากไปปรุงหาอะไรเพราะมันมีเหมือนคนมีของมีเงินครบอย่างนี้ แล้วเราก็มีความรู้พบศึกษาพบจบชั้นแล้วจะไปเรียนอะไรต่อก็พอก็อปฏิบัติอย่างเดียวแหละที่นี่าแต่สมัยปัจจุบันที่เราอยู่นี่เรารู้สึกเราเจริญเกินคาดหมายแทรกเทียบทั้งสมัยโบราณหรือทั้งพระพุทธเจ้าของเราอย่างนี้ก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ใช่วิชาการมาก แต่ใช่การปฏิบัติมากเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าการปฏิบัติมากนี่มันมีคุณค่ากว่าหรือดีกว่าอะไรอย่างงี้แต่การที่เราเรียนรู้มากเราใช้หลักวิชาการมากไม่มีการปฏิบัติช่วยผลที่จะเกิดจะได้รับมันไม่มีมันไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรา รู้น้อยเรียนน้อยเราปฏิบัติมากนั่นแะถูกตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะเรารู้น้อยแต่เราปฏิบัติความรู้ให้มากให้ดีเพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างนี้ก็มีคุณค่ามากขึ้นอย่างที่ว่าสอนให้เรามียายเฉพาะอุบายเดียวเรื่องเดียว เพื่อแก้ไขกิเลสเฉพาะที่มันมีในใจของเราเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปหาอย่างเดีนอีกมากทีนี้เรามีปัญญาเราก็แก้พวกกิเลสพวกสัญญาที่มันมีมันรบกวนจิตใจเราอยู่นั่นทีนี้มันก็ไม่ต้องหามากแลวทีนี้มันมีน้อย ในนั้นเรื่องปัญญาก็เป็นทิงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเรานำมารักษามาแก้กิเลสได้เพราะปัญญาเพราะพระองค์สร้างบรญมีสร้างปัญญามาแข่งค่าสมบูรณ์แล้วทีนี้ปัญญาของท่านก็แหลมคมทีนี้เรียกว่าแข็งแรงคือไม่กลัวกิเลส สามารถที่จะป่าฟันตัดจิเลสได้แต่ถ้าเราปัญญาเราอ่อนอยู่เราก็ไม่กล้านะเพราะว่ากิเลสมันเป็นของหยาบของหนาไม่ใช่ของง่ายถ้าปัญญาของเราอ่อนเราไม่กล้าเราก็จัดกิเลสไม่ได้ฉะนั้นปรรัญญาจึงมีคุณค่าสําหรับที่จะจัดกิเลส ทุกประเภทได้อย่างพรพุทธเจ้าของเราเก็สัตว์ด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะว่ากิเลสมันเป็นสัญญาส่วนปัญญามันเป็นตัวตรัสหรือว่ากิเลสมันเป็นตัวโลกแต่ปัญญามันเป็นตัวธรรมที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติสชำระจิตใจพัฒนาจิตใจเนี่ยไม่ต้องมีปัญญา อย่างที่เราพูดกันว่าทั่วทั่วไปอย่างที่เราหรือคนอื่นเห็นกันที่ทำอะไรบางอย่างที่ไม่แสดงออกด้านปัญญาเราพูดว่ากันโอ้ทาไมมันโง่มนนันไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะทักจะด่ากันขอให้มีปัญญาทักหน่อยก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยมันกับว่าเรารู้ว่าโลก แต่เราไม่รู้ยาอย่างนี้แต่ถ้าเร า, ราเราตัวเรามีเชื้อโรคแต่เรารู้ยาที่จะรักษาสักอย่างเราก็อยังมีทางแก่นี่เหมือนกันเรามาปฏิบัติมาศึกษาพระพุทธศาสานาโดยเอาอุบายปัญญาของพระพุทธเจ้า มาใช้พัฒนาจิตใจเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราได้ปัญญาเราพัฒนาให้ถึงใจเราปฏิบัติให้ได้ให้ประจำอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเห็นผลเห็นความสะอาดในจิตของเราเห็นเคื่องหมายเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนเรากวาดพื้นที่ ที่สกปรกมาก่อนอย่างเงี้ยพอเราเอาไม้กวาดกวาดไปรอยหนึ่งเราก็เห็นแล้วว่าโอคือมันสะอาดขึ้นเราเห็นรอยแล้วเรากวาดไปครั้งเดียวมันก็เป็นรอยให้เห็นแต่แเราขวดไปหลายๆลครั้งขวดกวางกว้างมันก็เห็นกว้างไปอีกอะที่นี่เราก็เห็นว่านี่คือธรรมะกเ็เป็นเครื่องกวาดกิเลสเป็นเครื่องขัดเก้ากิเลสอย่างนี้กิเลสที่มันเป็นละอองที่มันเป็น ผงเป็นของสปกปรกที่มันมากับลมคือลมจิตลมความคิดอารมณ์ของกิเลส ท, ที่มีในจิตเนี่ยมันพัดมาตกใสจท่านบอกว่ากิเลสสิ่งโมหมองสิงสปกปรกเราต้องอาศัยคัญญาเนี่ยแหละเหมือนบ้านแล้วสกปรกเราไม่ต้องอาศัยแม่กว่าถ้าเช็ดพื้นอืถึงเราภาวนาทุกวัน ก็เพื่อปัดกวาจิตใจนั่นแหละท่านจึงให้ปฏิบัติเป็นนิสเป็นจิตประจำวันอย่างนี้คือถ้าเราเว้นไปเราห่างไปมันค่อยจะจบเอปกหนาขึ้นแล้วทุกอย่างที่มีในตัวเราหรือรอบตัวเราพัเหมือนกันก็จะได้เห็นกับตาแล้ว่าเออถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่ก็จะมีอะไรพัดจบใส แล้วอ่างอะไรต่างๆอย่างที่เอยู่ในกรุงอย่างนี้ก็จริงว่าเพราะว่ามลพิษแก๊สน้ํามันมันเยอะอแล้วก็ทํามสะอาดจจด้วยเพราะมันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดาอะนนี้เราก็เห็นถึงอารมณ์จิตที่มันเหนียวแน่นไปกับกิเลสก็เหมือนกันเราก็จะใช้ปัญญาง่ายๆไม่ได้ปัญญาที่ไม่แข็งแรงไว้ได้ จะต้องใช้ปัญญาเข้มแข็งจะต้องฝึกต้องวนอย่างดีทุกอย่างดีให้มันแก่กล้าถึงจะเข้าไปแก้ไดทีน่้ถ้าไม่ดีก็ไม่ได้นี่เรียก ว, ว่าเราง่วงเพื่อขัดจิตใจเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดในด้านจิตเพื่ออุบายพัฒนาจิตใจของชาวพุทธเรา เราจะได้คุณธะทมที่นำไปปฏิบัติตัวเราถึงเราไม่ได้อยูป่ปฏิบัติจยงผู้ที่เสียสละมาบวชแต่เราเป็นชาวบานเราก็มีเวลาพอที่จะปฏิบัติได้เราไม่เอาไปเวลา ไปทำกิจอย่างอื่นคือเราก็ขออาชีพก็มีเวลาพอแต่ส่วนเวลาที่เราจะปฏิบัติทำประจาตัวประจำที่ก็มีพอเราก็น้อจะใช้เวลาปฏิบัติเฉพาะตัวเราเนี่ยเนพะื่อเราจะได้กันกันกิเลสหรือกันเวลาที่เราไปทำเสียหายเข้ามาสู่ที่สู่ใจของเรานะอย่างคนที่ถือพุทธจริงๆเนี่ย พ่าเราเป็นพุทธที่ถึงใจหรือว่าพุทธที่เข้าถึงหลักปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะต้องมีกิจของพุทธตลอดเพื่ะรู้ว่าเราไม่หลงไม่ลืมตัวไม่ขาดสติอย่างนี้ก็คือหลักของพุทธทั้งละอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวอยู่รวมหมู่อยู่ในชุมชนมากน้อย เราก็พยายามที่จะกำหนดไม่ให้จิตเราระเทือนหรือว่าเผลอไปกระทบคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นเรื่องของพุทธะทีนี่เป็นรูจับของเฉพาะตัวไม่หลงส่วนรวมอย่างที่เราเป็นคาวาสเหมือนกัน ก็รู้เรื่องเฉพาะตัวเฉพาะครอบครัวหนะ้าที่ของตัวของครอบครัวที่จะปฏิบัติตามแนวของกฎเราอย่างนี้ที่ฐานะหรือสถานที่เราจะปฏิบัติได้อย่างนี้แต่ถ้าจะปฏิบัติให้ได้สะดวกหรือเต็มที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มันก็ยังไม่ได้ เพราะเราอยู่ในฐานนะอยู่ในสภาพพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติให้มีพื้นฐานของพุทธให้เป็นพื้นรองรับอยู่คือไม่ใช่ว่าเราเป็นพุทธแต่ชื่อเป็นพุทธแต่ที่อารมณ์เป็นแ่เพียงเราสวดเราไหวเราสวดนั้นถ้าบอกว่าเป็นเพียงอารมณ์ เรียกว่าเป็นลมยังไม่ได้เป็นหลักยังไม่ได้เข้มแข็งถ้าเราทำการปฏิบัติเราขาดขจิตใจเราฝึกฝนอบรมต่อสู้กับการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ไม่ทอถอนือว่าเราหมายร่างกายเป็นหลักปืน ต, ตัวของเราเป็นหลักไง บางทีกิเลสมันว่ามาเราก็ต้องเอาปัญญาแก้อไล่ไปอย่างนี้ยอย่างเครียดทีายอุบายธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจของพวกเราที่ไม่แตกต่างกันในลักษณะของกิเลสก็ไม่แตกต่างกันในลักษณะของธรรมของปัญญาก็ไม่แตกต่างกันถ้าเราไปใช้ให้ถูกที่อเอาไปใช้ให้ เต็มที่เต็มชวนมันก็ได้ผลทีนี่ได้ผลเหมือนกันเห็นนั้นลนักษณะปัญญาของพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าใช้แก่ใช้การกิเลสในทุกอย่างทุกด้านถ้าท่านเจียบเทียบตาหอกดาบมีดให้เราเห็น ก็เหมือนมีดเหมือนดาบมันมีหลายด้านที่จะทําได้อย่างมีดปลแหลมอย่างนี้แล้วก็มีคมแล้วก็มีสันแล้วก็มีด้ามท่านบอกคือใช้ได้ทั้งสีอย่างคือด้ามก็ใช้ตํานีท่านบอกว่ า, ค, ค, า, วาคมก็ใช้ฟันขันก็ใช้ทุบปลายก็ใช้แทง มันก็ใช่ประโยชน์ได้รอบด้านนะทีน่นี่ถ้าเรามีปัญญาที่เราฝึกฝนเราสร้างขึ้นมาเองเราชุบขึ้นมาด้วยการปฏิบัติทำด้วยวาลนียมทำที่พระพุทธเจ้าท่านนำท่านสอน <c oughs> มันเป็นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็เลยได้ปัญญาได้ เครื่องฝ่าฟันทีเล็ดเครื่องตัดที้เล็ดเครื่องชำระที้เล็ดได้ท่านบอกเป็นเครื่องหมายที่ว่าจิตของเราก็ต้องรู้อย่างนี้น ร, รู้ว่าต้องทำกับตัวเราอย่างนี้ถ้าไปทากับที่อื่นมันก็ไม่ถูกนียต้องทำกับร่างกายของเรานั่นแหละ ถ้าไปทำกับคนอื่นนั้นผิดนที่นี้เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราของเราก็คือร่างกายของเราเนี่ยเราจรึงมีที่ที่เราจะปฏิบัติธรรมที่จะสร้างอบัยปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนเนี่ยแต่เราไม่ เข้าใจเราไม่ได้คิดว่าอยู่ในตัวของเราอย่างนี้นะบางทีหรือบางคนเพราะทองนึกไปไกลๆถึงพระพุทธเจ้าน่นถึงคนอื่นไม่ได้นึกเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนใหคนที่เป็นชาวพุทธทุกคนะัวนี้ สอนเข้าหาตัวหาจิตให้เอามาคิดมาสร้างปัญญาขึ้นให้เรามากำหนดขึ้นให้เรามาใช้ปรรัญญาใช้ความสงบใช้สติจางเป็นอาทุกคนให้มันเกิดขึ้น แต่มันไม่ใช่สร้างง่ายอ่ะทีนี้มันก็จะเห็นความลำบากในการสาาร้างทางปฏิบัตินี่ถ้าคนเราไม่ศึกษาดีไม่ได้รู้จับวิธีอุบายปัญญาแก่น่ะมันมันสร้างยากแต่ถ้าคนไหนที่มีบา ร, รมีมีปัญญาพื้นฐานดีมันก็ดู ง, ง่ายขึ้นเพราะว่า มันมีบารมีรู้ทีนี้รู้จับตั้งรู้จักแก่ <c oughs> รู้จับดัดแสงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเราจะเป็นช่างจะมาตีนี่ใช้เฉพาะตัวเราแคต้องเป็นช่างจะต้องมีอุปกรณ์ครบแต่ถ้าไม่มีลงไม่มีเครื่องอุปกรณ์ไม่มีช่างในตัวก็ทำไม่ได้ นี่เขาพูดในเจ้าทั้งกห้สร้างในตัวเราทุกคนนั่นแหละอย่างที่ว่าเรามีโรงมีลูก ม, มีอะไรครบเรามีอาคสรเรียนในตัวของเราทุกคนผู้หญิงผู้ชายอย่างนนเนี้ย <c oughs> เราไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนไม่ต้องไปหาสถานที่สิ้นเปลืองไม่ต้องไปใช้เงินจ้างครูสอนอ่ยมันก็จัดปัญหาจัดภา ร, ระหมด นะแต่ก่อนเนี่ยอย่างสมัยที่โบราณอย่างนี้ก็ไม่ทิ้เครืองไม่ลำบากเรื่องการที่จะฝึกสอนที่จะแก้ไขความรู้สำหรับคนในชาติเราอะ่ะก็สร้างขึ้นมาจากความรู้ด้วยปัญญาจริงๆก็ง่ายขึ้นเพราะว่าคนที่มีปัญญามีบารมีเนี่ย มันจะมองเห็นอะไรทุกอย่างเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่มาประกบอบให้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนนั้นมีปัญญา้ก็ทำอะไรไม่ได้เห็นว่าเห น, นั้นท่านบอกว่าปัญญาจริงเป็นของมีค่าสำหรับปฏิบัติใน พ, พุทธศาสนาและเป็นยอดของพระพุทธศาสนาด้วยถ้าไม่มีปัญญา ไม่สมบูรณ์ก็ตัดสิเรตไม่ได้ด้วยนี่นี่แหลว่าสิ่งที่เราจะมาอบรมจึกษามาสร้างปัญญากันมาพัฒนาจิตใจให้ได้ความผ่องใสความสงบอะย่ น, นี้ให้ได้เรามีความเห็นเห็นความดีที่ เราทําเราปฏิบัติในจิตของเรานขึ้นอย่างที่ว่าเราเข้าใจหลับปฏิบัติหรือเข้าใจอบัยที่จะมาแก้จิตของเราแต่ละคนเนี่ยจะทําจิตของเราให้สงบอาศัยอบายเป็นยาช่ว ย, ยเนี่ยเราจะทําสมาธิแบบเอาความสงบแบบจิต รวมสู่พวังอย่างนี้มันไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าความพร้อมสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่เพียงพออะไรอย่างนี้สมาธิที่เราอาศัยปฏิบัติอาศัยเป็นกิตการงานประจําตัวของเราเนี่แหละเป็นสิ่งจําเป็นทุกคนเร า, าต้องอาศัยสมาธิ ปัญญาที่อบลมให้เกิดสมาธิเนี่ยมาใช้เฉพาะตัวในทีนี้คือแบบใช้อุบายปัญญาช่วยออกหน้าอย่างีกศวิบายให้ฟังอคือไม่เอาไว้ทางหลังต้องเอาปัญญาออกหน้าเวลาเราจะคิดคำไหนที่หนที่ใหก็จะเราก็ต้องตั้งปัญญาไว้ให้มองเห็นอยู่ข้างหน้าเรา เราก็จะกันกิเลสกันสัญญาหลงๆที่จะมาติดจิตใจของเราเนี่ยมันมาไม่ได้เพราะว่ามันกันอยู่ทางหน้ามันไปก่อนแล้วกิเลสที่สิ่งไม่ดีมันอยู่ข้างหลังเราเราไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจจำอะทีนี้มันก็ลบเลือนไปท่านบ มันไม่อยากจะตดใจเราแล้วสิ่งที่มันจิดคือมันอยู่ข้างหน้าคือตาเราเห็นอย่างนี้นะแล้วมันเป็นกิเลสขึ้นตรงนี้ตาเห็นหูได้ยินสิ่งรับรู้ในร่างกายมันจำเอามันรับเอามันก็เลยมากองอยู่ในใจเราหมดอเลยมาเป็นกองกิเลสอะไรทีนี่ ทนี้มันกองเยอะๆเนี่ยกวดเราจะโกอยออกไปกวดเราจะแยกจะล้างออกไปมันก็เหนื่อ ย, เ, ยเหมือนอย่างสิ่งสกปรกอยู่ในตัวในเสื้อผ้าของเราแต่ละคนอยู่ในที่นอนที่ทํางานเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยนานๆชัตอาทิตต์เราไม่กวดไม่เช็ดปล่อยไว้นานๆก็รู้มันก็หนาขึ้นมาก เรามากวดก็เหนื่อยมากแล้วก็เสียเวลามากแต่ถ้าเรากวดบ่อยๆเนี่ยมันก็ง่ายแล้วมันก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้กองกันขึ้นมันกระจายหนีไปนนี้การปฏิบัติท่านก็เพื่อว่าให้เราทา <c oughs> บ่อยๆถึงทำน้อยก็อยู่ ก็รักษาได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไม่ทํานานนึกได้ค่อยนึกอย่างพุโทโธอย่างเงี้ยวันหนึ่งเรานึกครั้งหนึ่งหรือสองหนึ่งไว้เราลองนึกสามใจเราดูอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นชาวบ้านโอกาสที่จะนึกก็ยากมากเพอเราเนิกออกหน้าทั้งใจว่าเออเราจะไปหา ไปเอาสรัพเอาความมีความร่ำรวยจะไปหาวิธีหาไอาทีพที่ดีๆมันก็คิดไปจะเรื่องเนยมันจะคิดนึกภาวนาพุโทโธมันไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยมันเป็นวันๆแล้วก็นึกไม่ได้เงมันก็ห่างมากที <c oughs> นั้นเราต้องดูว่ า, าการนึกการทำของเรานี่แหละ จิตใจของเราเนี่ที่จะเป็นพุทธ <c oughs> เป็นศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยเวลาอาศัยสติอาศัยความที่เรามุ่งมัน่นตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้อุบายนี้เอาหลักปฏิบัตินี้เป็นหลัก การของพระพุทธศาสานาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ที่ความรู้ที่ความสงบนี่แหละความพอนี่แหละความไม่บกพ่องความไม่หิวเราอิ่มเราอิ่มอยู่ในกายในใจนี่อาหารก็อิ่มอยู่ในตัวหมดนะเพราะว่าเราไปกินอาหารเราก็เอาเนื้อเอาลูกของสัตว์มาทากิน แต่ในตัวเราแล้วก็มีอาหารเต็มตัวแล้วมันก็ไม่หิวเหตุ น, นั้นท่านให้มาปฏิบัติตัวรู้เรื่องของตัวเองทั้งหมดได้ ก, เนนมมก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ยากจนเป็นคนดีไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นไม่ต้องไปแย่งคนอื่นปนคนอื่นเรามีครบทุกอย่างที่ท่านบอกว่า โลกเราจะได้มั่งมีอยู่เย็นเป็นสุกไม่อดไม่ยาก อ, อย่างที่ว่าในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยเตือนไฟฟ้าประชาราษมานานให้รู้จักปฏิบัติสร้างครอบครัวตัวเองแต่ละคนให้สร้างเศรษฐกิจพอเพียง จะได้แก้ไขปัญหาความยากจนเ่ยนะันก็มองเห็นอยู่แต่คนหลายๆคนถ้าปฏิบัติตามแบบนี้มันก็จะมีผลขึ้นมาคือนะมันเกิดจากการปฏิบัติอย่างเดียวคือนะ ท, ทำขึ้นถึงมันน้อยทำมันมีขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วเราปฏิบัติมันก็ช่วยประหยัดด้วย อย่างปฏิบัติธรรมกินข้าวมื้อเดียวหวนเดียวอย่างเนี้ยมันก็ช่วยประหยัดได้เยอะแต่ชาวบ้านเนียมันไม่กำหนดแลท่เนี้ยอยากเวลาไหนก็กินบางทีกลางคืนเด็กเดินหิวมาก่าลุกมากินมันจะช่วยได้ไงเพราะว่านี่เป็นเพิ่มจะเรียก ว, ว่าส่งเสริมความอยากป้อนตัญหาให้มันอ้วน อะไรอย่างนี้มันเป็นทางที่สร้างโลกขั้นหลังที่เราจะแก้โลกโลดโลกให้เราบางเราฝึกแล้วมันก็ดีให้ผลดีทีหลังคือผลดีที่เราไม่ต้องลำบากไม่ต้องเครืองไม่ต้องกังวลเวลาไม่ต้องห่วงว่ากลัวจะเลยเวลาเพลนเวลาที่เรากินได้อย่างนี้ มันก็ตัดกังวลไปแล้วอืเคยไม่ห่วงแล้วแล้วจะไปทำอะไรก็ในงานดีขึ้นเต็มเวลามากขึ้นแต่ถ้าเราห่วงจะตัวจะปากจะกินน่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันไปเสียเวลากับเรื่องที่เราไปยุ่งไปมัวกินมัวเพลินอะไรอยู่อย่างนี้เรียกไดว่า ท่านให้แก้ไขในเรื่องกิเลสในเรื่องตัวของเราใช่อุบายปัญญาใช่อุบายธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาปฏิบัติมาได้สัดรูนั่นแหละได้ชำระกิเลสออกไปจากใจของพระ อ, องค์คจริงๆท่านก็สร้างเป็นตัวอย่างให้เราได้ปฏิบัติเพราะเราถือ พเราถือจำความศรัทธาในหลักคำสอนในหลักพระสูตรนะฮะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเราได้เกิดความศรัทธาในธรรมในปัญญาเรามีความเชื่อมั่นที่นี่เราเห็นชัดด้วยจิตเราว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้จริงๆ แล้วเป็นเรื่องอย่างนี้มาแต่ข้งพระพุทธเจ้าของเราสองพันกว่าปีนั้นก็มีมาเี็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติวัดผลมาและทั้งกวารับรองพระพุทธศาสนาเรามาจนถึงทุกวันนี่แหละคือส่วนสำหรับท้งโลก ก็ช่วยให้ชาวโลกให้บ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขส่วนทงางศาสนาก็ให้ผู้ปฏิบัติผู้เสียสละพเข้าวยไวดได้อยู่สมบลงเย็นไม่เดือดร้อนกระทบกระเทือนไปถึงกันแต่บ้านเมืองเราทุกวันนี้ก็รู้กันทั่วประเทศว่ามันมีผลกระทบ คนที่อยู่ในชุมชนอยู่ที่ในเมืองจเจริญแล้วระบระทบไปถึงรอบนอกสนนบทป่าเขาครูบาอาจารย์อยู่สงบภาวนา <c oughs> จะต้องไปบน่นไปรายงานตัวนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีคือมีเส้นประจําหลวงพ่ออยู่เชียงใหม่ไปจากกรุงเทพภาคตะวันออก ภาคอีสานอาบอกว่าตายแล้วหลวงพ่อทำไมเนี่ยนี่ท่วมหัวจะทำอย่างไรโอมันไม่ใช่เรื่องไม่น้อย <c ười> คนมาไม่รู้ทั้งประเทศอะ่ะโอ้ยังก็ไม่ใช่หลวงพ่อเป็นนายหลวงเว้หลวงพ่อเป็นพระถ้าเป็นนายหลวงจะแจกเงินให้พอใช้ทุกคนแล้วก็หมดเรื่อง <c ười> เนี่แหละมันแสดงผลอยู่จริงๆอ่ะฮะบางคนบอกว่าอมันนอนไม่หลับขนาดนั้นในเราโผทุกขนาดไห น, นนอนไม่หลับเนี่ยทุกที่สุดแหละธรรมดาเขามีกลางวันกเปลี่ยนให้นอนโลกปฏิสัจจ์เขามีไว้ให้นอนให้ทํางานแต่ เ, เราทําเกินโลกเขาแล้วที่นี่กลางคืนก็ให้นอนหลับตัวก็นอนไม่หลับ าะมันทุกข์มากอันนี้เราจะแก้ไขอย่างไรถ้าเรามาใช้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้มาถูกต้องเนี่ยเอามาปฏิบัติกันเีนี่ปัญหาต่งตางๆเราก็ไม่ต้องไปตามแก้มันหรอกมันสงบลงที่ปัญญามหมดเลยนี่ตัวนั้นอ่ะ ปัญหาทั้งหมดนี่รวมปัญหาทั้งโลกเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดมาที่ไหนนะมันเกิดมาจากปัญหาซึ่งมันมีตัวอักษรคล้ายกันความหมายนะที่ตัวแก่เหมือนกันจึยว่ามันเกิดมาจากปัญหาทั้งหมดถ้าไม่มีตันหาปัญหามันเกิดไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าแก้ปัญหาแล้วปัญหาก็จบหมด อย่างพระพุทธเจ้าพระนิจเจ้าพระท่านแก้ปัญหาหมดปัญหาไม่มีมันเกิดไม่ได้เพราะไม่มีที่มาเกิดเพราะมันี้ก็เพราะมาเกิดอยู่มันยังมาเกิดคิดเรื่องนเรื่องนี้นะแต่ปัญหาที่มีปัญหามันก็ขยายไปว่าเอ๊ะเรื่องนี้เคยปัญหาเฉพาะเรื่องแล้วเรื่องนี้แยกออกไปเฉพาะเหมือนกิ่งไม้ที่มันเคแตกออก แยกกันข้างบนอ่ะมันเยอะนะมันมาจากคลากจากต้นเดียวนั่นแหละฉันบอกว่าอย่างนี้ก็เลยเป็นปัญหารอบด้านอเพราะมันยิ่งอ่าปล่อยให้มันสร้างมากๆมันปิด บ, บังมืดเทึอหมดเลยนี่ท่านว่าเรื่องปัญหาที่เราตามแก้ไขกันอยู่ เรามีข้อข้องใจกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยดันั้นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเข้ามาหาหลักกันหาได้อย่างเนี้ยเกิดความสงบความจิบ <c oughs> ให้สงบได้นะมันก็เกิดปัญหาลงที่ใจเราเลยทีนี้มันไม่ไปหาเรื่องแล้วเพราะว่ามันไปหาแล้วมันก็รู้ว่ามันกลับคืนมา ห้องใจเราใจเราก็พยายามที่จะไม่เกาะแล้วใชนไหมไม่ให้มันมาแล้ว เ, เราก็ระวังก็มีสติจ้องอยู่เสมอจะไม่ให้มันเผลอจะต้องรีบกกดทันทีหรือว่าเวลาไปถูกเกาะ น, นิดหน่อยเราก็รู้สึกแล้วไป ร, รีบแก้ตอนที่มันไม่ติดลึก ไม่มันยังไม่แน่นมันก็ง่ายขึ้นนี่แหละเรื่องว่าวันนี้ที่เรากำหนดเวลาแล้วก็หัวข้อทำที่จะให้นำบรรยายเรื่องอุบายพัฒนาจิตใจของชาวพุทธเรานะก็เป็นเรื่องที่ได้นำมาที่บายให้พวกเราได้ฟังได้จำ ได้เข้าใจกันเพื่อเราจะได้คัดเาบายเฉพาะเราในเรื่องที่จะใช้ปัญญาที่จะมาแก้ตัวเราปฏิบัติตัวเราเปลีป่ยนแปลงตัวเราน่นน่ยให้เกิดปัญญาได้ปัญญาใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหามากมายที่เรายุ่งยากอยู่ทุกวันนี่นหะ อ่าที่เราว่ากันอนี่นี่ไม่รู้ว่าใครว่าใส่ในหลวงเต็มหมดน่นเพร่ะนึกในหลวงโพงเดียวเท่านั้นทั่วประเทศแะมันนอกไม่รู้จะเพึ่งใครแล้วเพราะว่ า, างี้เขาบอกว่าแสดงเครื่องหมายรับในหลวงทั้งหมดเพราะในหลวงเมบุนที่เขาจะกรุณาเพราะอะไรเราต้องคิดว่าจะปฏิบัติจะเอา ให้ในหลวงได้ปกป้องคุ้มครองเราเราก็ทำบุญอย่างที่เราแสดงออกนี่แหละนั่นแหละชืยเทิดพระเกียรติถาวายในหลวงด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยก็ความรู้สึกเรื่องบุญเป็นเรื่องของจิตอะมันโดนมันแถ่ไปทั่วโลกทั่วประเทศอะมันไปกึงชาบเข้าจิตใจของผู้มีบุญอ่ะทีนี้ ก็เลยรู้นึกได้ทวันเมืองมันจะเดือดร้อนมันไม่นิ่งแต่เขามีบุญมีผู้มีบุญอะไรเงี้ยที่จะพึ่งพาอาศัยอย่างนี้นี่เราก็เหมือนกันก็ เ, เหมือนกับว่ามันเป็นยุคเป็นสมัยที่จะพัดคนรวมคนเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เราก็เพิ่มจานวนมากขึ้นอะไรไ บันทีก็ต้องมีภัยมีอุบัติเหตุตายเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่าอย่างนี้ก็แสดงให้เราเห็นอยู่อันนี้เราเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้เอามาเทียบกับพระพุทธศาสนาของเราเมื่อเราได้รู้ได้มีปัญญาอย่างนี้เราก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันเวยกลับมาหาบุญหาคุณ หาทำความดีให้เราอย่างที่แนะนำมานี่นี่ถ้าเราปฏิบัติได้เรามีคุณพระพุทธเจ้าเต็มใจมีการปฏิบัติทำที่มันคงทนทางไม่ทอดทิ้งไม่ทอดถ้ออ่ตลอดถึงข้อปฏิบัติคุณประสงค์เราก็รักษาให้ครบถ้วนนี่ เราพยายามที่จะนึกนึกในใ จ, จอยู่เสมอแหะเราไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นไม่ต้องไปขอวัตถุมงคลสิ่งกุ้งกันแบบนั้นอย่างนี้ให้มันเป็นเรื่องเสียหายคุณความดีของเราทนี่เรียกว่าตรงต่อพระพุทธเจ้าในีวันนี้ไน้นำธรรมบรรยายิเื่อพวกเราท่านทั้งหลายมาได้รับฟังกัน ความน้ากันทุกคนซึ่งโอกาสที่เราจะได้มาได้เห็นได้พบกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายด้วยเนาะอ่าพอเฉพาะหลวงพ่อเองไม่ใช่ว่าเป็นพระที่ได้มากรุงเทพมาได้รู้เห็นกับใครอืมก็ด้วยว่าถึงข้าวที่ ความเป็นไปของ ใ, ในกลุมในอะไรหลายๆอย่างก็พิจารณาแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องมาดูบ้างว่เป็นอย่างไรอย่างนี้แต่ถึงดูอยู่ข้างนอกก็เห็นแต่มันไม่ใกล้ถ้ามาดูใกล้ๆมันก็เต็มที่อย่างนี้ถ้ารู้อยู่ไกลๆนี่ มันยังห่างมันยังมีทำสิ่งอื่นแฉกซ้อนอยู่ถ้ามาอยู่กับที่เนี่ยมันเรียกว่าเป็นของแท้เลยล่ะทีนี้เรียกว่าเต็มตึงเต็มที่แน่น อ, อึดอัดเต็มที่อะไรอย่างนี้อก็เลยยินเสียงบ่นเข้ามาดูว่ามันก็เป็นตามที่คนที่ได้รับรผลกระทบของกัน แต่ว่ากรรมก็บันดาลให้เราต้องทนอยนู่ถึงบ่นแล้วก็ยังไม่ออกไม่หนีอะไรเงี้ยบางคนก็ยังออหาที่เข้ามาข้างมาอยู่ก็เลยเจ็ดเจ็ดกวาจังหวัดก็เลยมาแน่นกันอยู่นี่ดัง น, นั้นถ้าเราปฏิบททัติธรรมแล้วหาความสงบหาที่สะดวกสบาย ก็มีมากมายประเทศไทยเราที่ที่จะอยู่กับธรรมอยู่ปฏิบัติอยู่สะดวกนี้ก็มีเยอะแต่เราอยู่นี้ก็อยู่ได้บุญเหมือนกันเพราะอยู่ใกล้บุญคืออยู่ใจวางในหลวงคืออยู่ใกล้ตัวเงินอันนี้คือทางโลกพ่อตุกก็มุ่งอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยนี่แหละเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วม ได้มาฟังได้มาได่อบายปัญญาไปปฏิบัติ mm hmm. ก, ก, ก็นําไปปฏิบัติกันไม่ใช่ทดลองนะทดลองมันไม่ได้ต้องตัดความคิดอย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าทดลองมาก่อนเราแนละ้วเรานี่ยให้ทําตรงเลยถ้ายังทดลองอยู่มันก็ยังไม่ถูกอะไรอย่างนี้บางคนก็ทดลองปฏิบัติดูว่าก็ายัง เอาความสงสัยมาว่าไม่ได้เคยได้แต่ว่าเป็นยาอย่างนี้ว่าพระพุเจ้ารับรองมาหมดเป็นยาโดยตรงกับโลกไม่ต้องทดลองคือต้องปฏิบัติถ้าเป็นของทดลองก็ยังไม่ใช่ปริทิจใช่ไหมปฏิทินจริงๆต้องไม่ต้องทดลองต้องทำทำโดยเฉพาะตรงๆอย่างนี้เ นี่แหลกว่าเราเป็นผู้เชื่อเชื่อตรงเชื่อจริงเพราะว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆว่าทุกสิ่งเนี่ยความรู้ความเห็นความเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรูกพร่องแต่เรามีความบกพร่องอยู่เราพักรู้ว่าต้องฤทธธรรมต้องตามต้องเล่งอะไรอย่างเงี้ยนี่รียกว่าเป็นความเตืนใจใล้เรานําไปปฏิบัติ เราก็จะมีความสุขความเจริญในธรรมอื ừ, จิติปัญญาของเราก็จะเจริญงอกงามขึ้นบุญทั้งหลายที่เราได้เราก็รวมพลังกันไปถวายให้ในหลวงของเราด้วยแบ่งมาใช้แก่ตัวของเราด้วยไม่ต้องให้ในหลวงหมดหรอกเพราะตัวของเราเนี่ยอดอยากอยู่นะเดี๋ยวยกให้ในหลวงหม ด, ห ด, หหมดตัวของเราก็หิวกัน นี่แหละให้ตั้งใจให้ปฏิบัติรักษาไว้อย่างนี้เราก็าเป็นชาวพุทธพุ่นหน้าจริง เ, เราก็าดับความร้อนความบุนวายกันช่วยกันได้เราก็มีความสงบลมเย็นนี่เป็นธรรมะเตือนใจของเราทุกคนก็พอสมควรแก่กาลเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้